145ความเสื่อมของพุทธคือหลงว่าอาจารย์คือพระป่าดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสย้ำซ้ำในหลักปฏิบัติของพุทธอย่างในพระไตรปิฎกเล่มเก้านี้ว่าพุทธต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาณนะไม่ใช่ออกป่าปฏิบัติสมาธิหลับตาและพุทธก็ไม่มีอาจารย์อยู่ในป่า ซึ่งเรื่องนี้มีคำตรัสพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าในอัมพัทสูตรสุดที่สามนั้นก็ยืนยันชัดเจนยิ่งว่ า, าศาสนาพุทธไม่ใช่าศาสนาหลงป่ายึดว่าที่ปฏิบัติธรรมคือในป่าอาจารย์ที่จะสอนพาบรรลุธรรมก็อยู่ในป่านั้นเป็นความเสื่อมของาศาสนาพุทธเลยคำตรัสของพระพุทธเจ้าถึงความเสื่อมนี้มีสีข้อ ในอัมพัทสูตรพระไตรปิฎกเล่ม9ท้ายสุดของข้อ163และข้อ164ซึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่งเริ่มต้นประกาศพุทธศาสนาศา ส, สนายังไม่ได้เสื่อมอะไรคำตรัสนี้จึงเป็นคำพยากรณ์ไว้ล่วงหน้ามีความว่าวงเล็บช่วงท้ายสุดของข้อ163 ดุกะอัมพัทถะวิชาสมบัติและจารณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้แลมีทางเสื่อมอยู่สี่ประการสี่ประการเป็นฉ น, นันึงดุกะอัมพัทถะสมณะพรามบางคนในยุคนี้เมื่อไม่บรรลุวิชาสมบัติและจารณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้หา บ, บริขารดาบท เข้าป่าสู่ราวป่าด้วยตั้งใจว่าจากบริโภคไม้ที่หล่นสมณพราหมณ์นั้นต้องเป็นคนบำเรอท่านที่ถึงพร้อมด้วยวิ ช, ชาและจรณะโดยแท้นี้เป็นทางเสื่อมข้อที่หนึ่งข้อสองดูกระอัมพัฒะอีกข้อหนึ่งสมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้ เมื่อไม่บรรลุวิชาสมบัติและจารณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมนี้ไม่สามารถจะหาผลไม้ที่หล่นบริโภคได้ถือเสียมและตะกร้าเข้าไปสู่ราวป่าด้วยตั้งใจว่าจากบริโภคเง้าไม้รากไม้และผลไม้ สมณะพรามนั้นต้องเป็นคนบำเรอท่านที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะโดยแท้นี้เป็นทางเสื่อมข้อที่สองหนสข้อ3ดูกราอัมพัทตะอีกข้อหนึ่งสมณะพรามบางคนในโลกนี้เมื่อไม่บรรลุวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยม ไม่สามารถจะหาผลไม้ที่หล่นบริโภคได้และไม่สามารถจะหาเง้าไม้รากไม้และผลผลไม้บริโภคได้จึงสร้างเรือนไฟไว้ใกล้บ้านหรือนิคมแล้วบำเรอไฟอยู่สนพรามนั้นต้องเป็นคนบำเรอท่านที่ถึงพร้อมด้วยวิ ช, ชาและจารณะโดยแท้ นี้เป็นทางเสื่อมข้อที่ส166สข้อ4ดูกระอัมพัสถะอีกข้อหนึ่งสมณพราหมณ์บางคนในโลกนี้เมื่อไม่บรรลุวิชาสมบัติและจารณะสมบัติอันเป็นคุณยอดเยี่ยมไม่สามารถจะหาผลไม้ที่หล่นบริโภคได้ ไม่สามารถจะหาเง้าไม้รากไม้และผลไม้บริโภคได้และไม่สามารถจะบำเรอไฟได้จึงสร้างเรือนมีประตูสีด้านไว้ที่หนทางใหญ่สีแพร่งแล้วพำนักอยู่ด้วยตั้งใจว่าผู้ใดที่มาจากทิศทั้งสี่นี้ จะเป็นสำน้หรือพรามก็ตามเราจักบูชาท่านผู้นั้นตามสติกำลังสำน้พรามนั้นต้องเป็นคนบำเรอท่านที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะโดยแท้นี้เป็นทางเสื่อมข้อที่สี่นี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าการหลงป่าเป็นความเห็นผิด เป็นความเสื่อมเสื่อมตั้งแต่เข้าใจว่าอาจารย์ต้องอยู่ในป่าอาจารย์ต้องเป็นพระป่านี้ผิดข้อหนึ่งและหลงผิดว่าการปฏิบัติธรรมจะพาบรรลุได้ต้องหลบหลีกหนีจากผัสสะที่เป็นลาบยศสรรเสริญสุขต้องหลีกลี้ยงหนีจากมนุษย์เข้าป่าที่ไม่มีมนุษย์ เปรียกอยู่แต่ผู้เดียวเป็นดีสุดนี่คือผิดอีกข้อหนึ่ง